สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนิตกรคนชอบเล่าคลิปนี้เราก็มาตามรอยหลวงพอ่อโกยจุตินธโรแห่งวัดโคศิตารามกันต่อนะครับกับหนังสือเรื่องเล่าคราบปฏิหารตำนานวัตถุมงคลโดยคุณขลังคลังวิชาของคุณตรัยผลนาคสมบูรณ์ครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่3เป็นบันทึกเรื่องราวของครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้แก่ท่านครับเมื่อตอนที่แล้วก็ได้เปิดเผยนามให้ทราบกันไป3ท่านและคลิปนี้ ผมก็จะขอเปิดเผยรายนามอาจารย์ของท่านในลำดับต่อไปครับท่านที่4หลวงพ่อเดิมพุทธสโรแห่งวัดหนองโพหากว่าออกเสียงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลวงพ่อเดิมพุทธสโรหรือพระครูนิวัสธรรมขันแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ยมบิดาชื่อไนเนียมยมบรรดาชื่อนางผู้มีรายนามพี่น้องร่วมบิดามารดาคือลำดับที่หนึ่งได้แก่หลวงพ่อเดิมพระเหตุที่เป็นบุตรชายคนแรกของบิดามารดา ปู่ยาตายาจึงให้ชื่อว่าเดิม 2. นางทองคําคงหาร 3. นางภูทองหนุน 4. ี่ในดวนผู้มณี 5. น, นางพันจันเจริญและหกนางเปลืองหมื่นนราเดชจันทร์อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะพัทศีมาวัดเขาแก้วอำเภอพยุหะเคียรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามหรือวัดในเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองตำบลท่าน้าอ้อยกับหลวงพ่อเทศวัดสัตเทเลเป็นพระคู่สวด เมื่ออุสมบทพระอุ ป, ปัชฌาย์ให้น้ำฉายาว่าพุทธโสโรหลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระผู้มากด้วยบารมีกิตติคุณท่านแผ่เผยสารเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกสารทิศท่านเมตตาผู้คนไม่เลือกชนชั้นวันนะต่างพากันขนานนามท่านว่าเ ท, าาทาพเจ้าแห่งเมืองสีแคววัตถุมงคลของท่านมีชื่อเสียงมากในช่วงสงครามโลกทั้งผ้าร้อยเท้าเหรียญตะกรุดสิงห์งาแกะโดยเฉพาะมีเทพสัตราวุธของท่านถือเป็นเครื่องรางอาถรรพ์ที่ผู้คนต่างสาอหา มีเทพสาราวุธสร้างจากโลหะอาถรรพ์หลายประการภายหลังหลวงพ่อกวยได้ศึกษาวิชาสร้างและปลุกเสกมีเทพสาราวุธนี้หลวงพ่อกวยท่านทําได้คลังไม่แพ้ครูอาจารย์เลยเมื่อแรกหลวงพ่อกวยท่านตั้งใจเพื่อไปรเรียนวิชาเล่นแร่ปแปรธาตุโดยท่านทราบว่าหลวงพ่อเดิมท่านปแปรธาตุสำเร็จสามารถแปรเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคําได้เมื่อกลับไปรเรียนแก่หลวงพ่อเดิมท่านไม่สอนวิชาดังกล่าวแก่ท่าน หลวงพ่อเดิมท่านเรียนรู้มาก็เพียงทดลองทําตามตําราสําเร็จท่านก็เลิกท่านว่าท่านทําลายอุปกรณ์และตําราทิ้งไปเสียหมดแล้วท่านว่ามันเป็นกิเลสเรียนรู้ไปไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษแต่หลวงพ่อเดิมท่านเมตตาสอนวิชาอื่นให้แก่ท่านแทนช่วงที่หลวงพ่อกวยท่านเดินทางไปเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมช่วงเวลานั้นหลวงพ่อกวยท่านไปพักจำพรรษาอยู่วัดบางตาหงายอําเภอบรรพวิสัยทรว่าท่านจำพรรษาอยู่วัดนี้ถึง7พรรษา การเรียนวิชาต้องอาศัยเดินเท้าไปเรียนแสดงถึงความมูมานะของหลวงพ่อโกยเป็นอย่างมากเชื่อว่าท่านได้เรียนวิชาจากหลวงพ่อเดิมมาไม่น้อยเล่ากันว่าในช่วงที่หลวงพ่อโกยเดินทางไปเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมช่วงเวลานั้นพระครูพิมพ์วัฒนามำชัยท่านยังเป็นเด็กเดินตามหิ้วปิ่นโตให้หลังจากที่ท่านได้เรียนรู้วิชาพอควรแล้วหลวงพ่อโกยท่านเดินทางกลับมาวัดโคศิตารามภายหลังท่านยังเดินทางไปต่อวิชาและคาระวะหลวงพ่อเดิมอีกหลายครั้ง โดยลุงหล่อนแย้มทับสิทธ์ของท่านเคยเดินทางไปกับท่านด้วยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมท่านมอบให้เป็นที่ระลึกโดยภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมที่ท่านมอบให้หลวงพ่อโวยมานั้นเคยตั้งบูชายอยู่ที่วัดมีรอยจากลามือหลวงพ่อเดิมด้วยปัจจุบันไม่ทราบว่าภาพนี้สูญหายไปไหนเป็นที่น่าเสียดายยิ่งจากการที่ข้าพเจ้าผู้เขียนเคยสอบถามหลวงพ่อพวงวัสหกรรังสรรจังหวัดสระ บ, บุรีท่านเล่าเรื่องในอดีต สมัยท่านนั่งรถไฟขึ้นเหนือไปกราบฝากตัวเป็นสิทธิหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านว่าสมัยนั้นวัดหนองโพผู้คนมากมายพระสงฆ์ไปฝากตัวเป็นสิทธิหลวงพ่อเดิมมากพอสมควรทั้งคาระวะต่างพากันมาขอวัตถุมงคลวันนึงมีจํานวนมากท่านว่าไปเห็นผู้คนรุมล้อมหลวงพ่อเดิมเกิดเกรงใจและสงสารท่านจับใจด้วยเวลานั้นหลวงพ่อเดิมท่านเข้าสู่ใบชาราภาพมากแล้วหลวงพ่อพวงท่านจึงตัดสินใจไม่ฝากตัวเป็นสิทธิ เพียงแต่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาเป็นที่ระลึกเท่านั้นจากคําบอกเล่านี้ทําให้พอคาดคะเนได้ว่าการที่หลวงพ่อกลวยท่านไม่ยอมพักอยู่วัดหนองโพนั้นอาจเป็นเพราะสาเหตุที่ผู้คนพลุกพล่านก็เป็นไปได้เพราะหลวงพ่อกวยท่านเป็นคนชอบความเงียบสงบไม่ชอบความวุ่นวายพลุกพล่านท่านจึงเลือกที่จะไปพักอยู่ที่วัดบางตาไหงายหลวงพ่อกลวยท่านได้ริ่มเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมถึง7พรรษาวิชาที่ท่านเรียนมาที่ทําได้ขลังศักดิ์สิทธิ์มากคือ วิชาสร้างมีเทพศาสตราวุธการปลุกเสก ร, รูปเสือรูปสิงตกระดุลและแหวนแขนวิชาสําคัญอีกวิชาที่หลวงพ่อเกวยท่านได้เรียนมาทั้งยังทําได้ขลังไม่แพ้อาจารย์ท่านคือวิชานิ้วเพชรสืบร่วมสํานักที่มีความคุ้นเคยกับท่านเท่าที่ทราบมีหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วและหลวงพ่อพิมพาวัดหนองตางูทราบว่ได้พบภาพถ่ายหลวงพ่อกันที่กุฏิหลวงพ่อเกวยและหลวงพ่อเกวยท่านยัเคยนําเหรียญหลวงพ่อกันมากดลงที่ด้านหลังพระสมเด็จที่ท่านสร้าง ด้วยความเคารพและเชื่อถือในอาคมของหลวงพ่อกันนั่นเองส่วนหลวงพ่อพิมพาท่านยังเคยกล่าวถึงหลวงพ่อกวยว่าท่านกลวยเขาใจจริงแสดงว่าท่านทั้งสองรู้จักคุ้นเคยกันดีสิทธิหลวงพ่อเดิมมีหลายรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากเช่นหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพหลวงพ่อจันท์วัดคลองระนงหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่อพิมพาวัดหนองตางูหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อเจ้ยวัดห้วยเจริญสุข หลวงพ่อจันร์วัดอัมภรวันและอีกหลายท่านที่ต่อมาล้วนแล้วแต่เป็นพระเถระผู้น่าเคารพศรัทธาเป็นที่พึ่งแก่สาธุชนท่านต่อมาหลวงพ่อเคนพรห ม, มโชโตวัดดงเศรษฐีหลวงพ่อเคนพรห ม, มโชโตวัดดงเศรษฐีตำบลหมกแถวอำเภอหนองขา ย, ยางจังหวัดอุทัยธานีท่านเป็นอาจารย์ผู้แก่กล้าทางวิชาอาคมในสมัยนั้นแต่ประวัติความเป็นมาของท่านเลือนรางนักทราบเพียงท่านมีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทราบว่าท่านทุ่งมากับสหธรรมิกอีกสี่รูปภายหลังชาวบ้านเกิดเริ่มใส่นิมนต์ท่านหลวงพ่อเคนจึงอยู่โปรดญาติโยมแต่นั้นมาวัดดงเศรษฐีนี้เป็นวัดอยู่กลางป่าห่างไกลการสรัญจรไปมาลําบากมากยิ่งช่วงหน้าฝนเข้าพรรษาหนทางสัญจรยิ่งลําบากหลวงพ่อเคนเมื่อท่านมาอยู่ใหม่ๆนั้นท่านสร้างกุฏิขึ้นง่ายๆเป็นเพียงเพิงเล็กๆพอกันแดดกันฝนความเป็นอยู่ในสมัยนั้นทราบว่าขัดสนมาก ทั้งวัดมีหลวงพ่อเคน ร, รูปเดียวที่จำพรรษาอยู่ชาวบ้านแถบนั้นยากจนหาเช้ากินค่ำอาศัยหาของป่าเผาถ่านทําไร่ทานายามเจ็บไค่ได้ป่วยก็อยู่ห่างไกลหมอยุกยาก็หายากหลวงพ่อเคนท่านจึงคอยช่วยเหลืออนุเคราะห์ชาวบ้านด้วยความเมตตาท่านมีความรู้ทางแพทย์พื้นบ้านมากโดยเฉพาะวิชามหาประสานและการรักษากระดูกแตกหักได้ชงัดนักว่ากันว่าท่านเคยลองวิชามหาประสานโดยตัดหางควายเผือกมาต่อกับหางควายดํา ตัดหางควายดำไปต่อกับหางควายเผือกได้ชาวบ้านรุ่นเก่าเล่าว่าหากใครโดนบีดโดนขวานมาหลวงพ่อเคนท่านเสกเป่าเพียงอึดใจเดียวแผลติดเลือดหยุดอย่างน่าอัศ จ, จรรย์ใครเล่นกลเมื่อแรกสมัยหลวงพ่อกวยไปขอเรียนวิชากับหลวงพ่อเคนนั้นท่านได้ตกลงกับเพื่อนพระภิกษุอีกรูปว่าจะไปพบกันที่วัดดงเศรษฐีแต่บังเอิญท่านเกิดมิกจฉุรากระทันหันไม่สามารถไปตามที่ตกลงได้ เมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อเกวิท่านเดินทางไปถึงวัดดงเศรษฐีเช้ากว่าที่นัดหมายแต่เพื่อนพระภิกษุยังคงเรียนวิชาและคอยท่านอยู่หลวงพ่อเคนจึงได้ถามท่านว่าเหตุใดนัดเพื่อนแล้วจึงไม่มาตามนัดหมายหลวงพ่อเกวิท่านมีเหตุผลแต่ท่านก็ไม่ได้แก้ตัวแต่ประการใดหลวงพ่อเคนอบรมท่านเรื่องสัจจะและคําพูดทั้งกล่าวเตือนว่าหากคุณเราไร้สัจจะวาจ้าทำการใดก็ไม่ขึ้นไม่ขลัง หลวงพ่อเกวอท่านเงียเงียบยอมรับในความผิดของท่านอย่างองอาจกล้าหาญทำผิดแล้วแก้ไขไม่แก้ตัวนี้เป็นวิสัยของท่านที่น่าชื่นชมเอาเยี่ยงอย่างในการอยู่เรียนวิชากับหลวงพ่อเคนในเวลานั้นหลวงพ่อเกวยท่านต้องช่วยงานทุกอย่างตามตกลงพ่อเคนมอบหมายหรือท่าไม่ทราบเห็นอะไรหยิบจับทําได้ท่านจะรีบทําทันทีบางคราวเข้าป่าช่วยตัดไม้มาปลูกสร้างศาลาทั้งผ่าฟเฟินหาบน้ําเลี้ยงวัวเลี้ยงมา้า รือแม้แต่ทำนาท่านก็ต้องช่วยเหตุว่าวัดดงเศรษฐีในสมัยนั้นยากจนขัดสนต้องปลูกข้าวไว้เผื่อในยามขาดแคลนข้าวเหลือท่านยังได้แจกแก่ชาวบ้านที่ยากจนความเป็นอยู่ในเวลานั้นลำบากยากแค้นตหลวงพ่อเกวท่านก็อดทนไม่ย่อท้อเพราะกว่าที่หลวงพ่อเคนจะยอมสอนวิชาท่านมักทดสอบความอดทนของศิษย์เป็นเวลานานจนเห็นสมควรจึงจะยอมสอนวิชาท่านว่าวิชาแต่ละอย่างไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะได้เรียนรู้มา กจะมาเรียนเอาง่ายๆได้ไปง่ายๆจะไม่รู้คุณค่าหากจากเรียนต้องแรกเอาด้วยความมานะพยายามจึงสําเร็จหลวงพ่อเขนรูปนี้ว่าไปท่านเป็นพระปฏิบัติตัวแปลกบางคนเขาก็นับถือบางคนก็ไม่นับถือเหตุว่าท่านชอบฉันเล่าอยู่เนืองนิดจะหยุดพักบ้างก็ช่วงเข้าพรรษาท่านจะเอาเล่าไปฝังดินไว้พอพรรษาท่านจะกุดขึ้นมาฉันต่อไปกล่าวไปแล้วครูบาอาจารย์ที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องอาคมในอดีตหลายท่านฉันเล่า แต่ความขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกลับยังคงเดิมหาได้เสื่อมถอยความขลังลงไปแม้แต่น้อยเชื่อว่าเป็นเพียงการปฏิบัติตัวภายนอกเท่านั้นหากภายในนั้นท่านกลับเป็นผู้สงคุณธรรมชั้นสูงเพราะเมื่อคนลึกลงไปจึงทราบว่าท่านสามารถสลับเหล้าให้กลายเป็นน้ำและเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าได้เช่นกันนี่เป็นสภาวะของผู้สาเร็จฤทธิ์ขั้นสูงท่านเหล่านี้มีพลังจิตกล้าแข็งมากสามารถทาสิ่งที่เราคาดไม่ถึงได้ เป็นเรื่องเหนือวิสัยคนธรรมดาสามัญจะสามารถล่วงรู้เท่าทันท่านได้ด้วยหลวงพ่อเคนท่านเคยแสดงให้สิทธิ์ประจักษ์มาแล้วว่าเราที่เห็นว่าท่านฉันอยู่นั้นมเมตเฮให้สิทธิ์ลองชิมดูเหล้านั้นพลันกลายเป็นน้ําเปล่าไม่มีรสชาติหรือความมึนเมาอย่างเหล้าหลงเหลืออยู่เลยแสดงว่าหลวงพ่อเคนท่านใช้วิชาจากที่เห็นเป็นเหล้าแต่เมื่อหลวงพ่อท่านฉันมันกลับเป็นเพียงน้ําเปล่าธรรมดาเท่านั้นหลวงพ่อเคนท่านมีอายุยืนยาวถึงร้อยก้าเจ็ดปี ศิษย์ของท่านมีชื่อเสียงอยู่หลายรูปเช่นหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามหลวงพ่อปรงวัดธรรมเจดีหลวงพ่อตีวัดหลวงราชาวาดซึ่งล้วนเป็นที่รู้จักในปัจจุบันทั้งส้นท่านต่อมาหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตามประวัติท่านพื้นเพเป็นคนบ้านหนองกระโดนเกิดที่บ้านฟ้าคลองโยมบิดาชื่อในเหมือนโยมบรรดาชื่อนางพุ่มเหมือนสัง เมืท่านเข้าอุปสมบทได้ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนพรชากับหลวงพ่อเฮงวัดเขาเด่นภายหลังท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเร่มาหลวงพ่อพวงท่านเป็นพระหมอรักษาผู้คนมีชื่อเสียงมากท่านเป็นพระร่วมยุค ก, กับหลวงพ่อเดิมในสมัยนั้นหากใครมาจากทางหนองกระโดนเมื่อหลวงพ่อเดิมท่านรู้ท่านจะบอกคนเหล่านั้นว่ามีของดีอยู่กับตัวไม่รู้ท่านมักบอกให้ไปหาหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนว่าท่านก็เป็นพระดีและเก่งเช่นกัน ดังบราณว่าปราดย่อมรู้ปราดหาไม่แล้วหลวงพ่อเดิมท่านต้องไม่ออกปากชมแน่จากหลักฐานในตำราคาถาของหลวงพ่อกวยระบุว่าท่านเรียนวิชาจากหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนจึงแน่ใจว่าท่านทั้งสองเป็นสิทธิอาจารย์กันอย่างแน่นอนแต่ในรายละเอียดว่าได้เรียนรู้วิชาใดมาบ้างนั้นไม่อาจทราบได้ปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อพวงเป็นที่ส่อหามากด้วยมีประสบการณ์ทางคงกระพันมหาอุดโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกของท่านมีราคาแพงมาก ท่านต่อมาหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมีนามเดิมว่าจงยมบิดาชื่อพ่อยอดยมบัรดาชื่อแม่คลิปมีพี่น้องร่วมอุทร์ทั้งสิ้นสามคนคือ1หลวงพ่อจงพุทธสโร2หลวงพ่อนินอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในและสนางปลิก ท่านเข้าอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2435ณพัทศีมาวัดหน้าต่างในพระอุปัชฌาสุนวัดบางปลาหมอเป็นพระอุปชัชฌาพระอาจารย์อินวัดหน้าต่างนอกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์โพวัดหน้าต่างในเป็นพระอนุสาวนาจารย์ภายหลังอุปสมบทแล้วท่านได้เรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอซึ่งเป็นพระอุปัชฌาของท่าน ทั้งยังได้เรียนวิชาเพิ่มกับพระอาจารย์หลวงพ่อปั้นวัดภิกุลโศกันต่อมาท่านดอกทุ่งไปตามป่าเขาตั้งแต่เหนือจะลดใต้ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวิชากับครูบาอาจารย์มากมายในสมัยนั้นหลวงพ่อจงถ้าเป็นเสด็จร่วมอาจารย์ทั้งยังมีความคุ้นเคยกับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอีกทั้งหลวงพ่อปานยังเคยออกปากรับรองว่าหลวงพ่อจงท่านเป็นพระทองคำเชื่อกันว่าท่านคงบรรลุธรรมขั้นสูงสุดก็เป็นได้ หลวงพ่อจงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามอินโดจีนจากประสบการณ์วัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกจากท่านจนได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นยอดเกจิอาจารย์หนึ่งใน5เสือของยุคนั้นจนเรียกติดปากว่าจาาจงคงอีจันคือหลวงพ่อจาตวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหบหลวงพ่อจนันวัดบางหนู ทั้งนี้หลวงพ่อจงยังได้รับเกียรติจากทางการนิมนต์ท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ปล่อยสายเสกรอบพระนครทั้งยังให้ปรับพรมน้ําพระพุทธมนต์แก่ทหารหารที่จะไปศึกสงครามอีกด้วยสมัยนั้นเสื้อยันแดงของท่านที่ปลุกเสกโดยพระคณาจารย์ห้าเสือนี้หรือชื่อมากฝรั่งตาน้ําข้าวที่พบเจอความอัศจรรย์ความบ้าดีเดือดและที่สําคัญคือข้ามไม่ตายต่างพากันขนานนามทหารไทยว่าทหารผี พเห็นทหารใส่เสื้อกั๊กแดงซึ่งก็คือเสื้อยันให้รู้เลยว่านั่นคือทหารไทยที่ไม่ว่าปืนใดก็ยิงไม่เข้ายิงล้มลงไปยิงลุกขึ้นได้ข้าไม่ตายทหารฝ่ายตรงข้ามต่างวิ่งหนีกันแตกกระเจิงเมื่อพบทหารไทยใส่เสื้อกั๊กแดงการปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อจงนี้เป็นเอกลักษณ์คือเป่าพ่วงเดียวหรือเพียงนำมาจับแล้วปาลงไปที่วัตถุมงคลเพียงเท่านั้นท่านว่าเท่านี้ก็พอแล้วใช้ได้แล้วไม่ต้องเสียเวลามานนั่งหลับตาเข้าสมาธิใดเลย นี้แสดงถึงภูมิจิตของหลวงพ่อจงว่าท่านสูงส่งและแก่กล้ามากเพียงไรหลวงพ่อเกวยท่านทราบชื่อเสิงของหลวงพ่อจงท่านเดินทางมาฝากตัวเป็นศิษย์เรียนรู้วิชาจากหลวงพ่อจงและยังได้เดินทางไปมาหาสู่เพื่อต่อวิชาและเยี่ยมเยือนหลวงพ่อจงอยู่เนืองเนืองเชื่อว่าท่านคงได้เรียนรู้วิชาไปมากพอควรเท่าที่ทราบหลวงพ่อกวยท่านได้เรียนวิชายันสิงดอกบัววิชากระทูเจ็แบกวิชามหาอำนาจวิชาทำตะกรุดใส่ลูกตา ตะกรุดาลิกาตะกรุดแฝดมหาอุดและอีกมากมายทาวหลวงพ่อจงท่านให้ความเมตตาหลวงพ่อกลวยมากขนาดมอบตำราคาถาบางส่วนให้หลวงพ่อกลวยไปศึกษาต่อทั้งอย่างมั่นใจในอํานาจจิตของหลวงพ่อกลวยถึงขนาดมอบหมายให้ปลูกเสกวัตถุมงคลแทนท่านเลยทีเดียวในการปลูกเสกเหรียญหลวงพ่อจงรุ่นย้อนยุคปีพุทธศักราช2516ออกโดยวัดสิงห์สุทธาวาส ในว่างานนี้เป็นการนิมนต์สิทธิของหลวงพ่อจงมาร่วมปลูกเสกเหรียญรุ่นนี้เป็นที่ระลึกและบูชาคุณโดยหลวงพ่อเกย๋ยท่านเป็นหนึ่งในพระคณาจารย์ที่ร่วมปลูกเศสกพระเครื่องรุ่นนี้อย่างเต็มภูมิเพื่อระลึกถึงคุณพระอาจารย์ของท่านท่านต่อมาหลวงพ่อแบรนวัดเดินบางนางบวชหลวงพ่อแบรนวัดเดินบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่าที่มีชื่อเสียงมากในอดีตพลังจิตท่านแก่กล้ามาก ว่ากันว่างานฝังลูกนิมิตวัดใดหากนิมนต์หลวงพ่อแบรนมาเป็นประธานเมื่อถึงคราวหลวงพ่อแบรนท่านสวดเชิญลูกนิมิตหลงหลุมมาเกิดอัศจรรย์ลูกนิมิตจะขาดลงหลุมเองโดยไม่ต้องตัดในอดีตสมัยท่านยังทรงสังขารอยู่ท่านไม่สร้างวัตถุมงคลเป็นรูปท่านเลยสร้างเพียงเครื่องรางประเภทตะกรุดและผ้ายันเท่านั้นผ้ายันที่ขึ้นชื่อเป็นที่ร่ํำลือมากคือผ้ายันพญาหงทองเป็นผ้ายันที่มากประสบการณ์ ดิเด่นทั้คุ้มครองป้องกันทั้งกันไฟกันฟ้าได้ชงัดนักสมัยแรกหลวงพ่อแบรนท่านขียนพยัญชนะแจกสิทธิ์ใกล้ชิดพยัญถึงหนึ่งกว่าจะเขียนเสร็จกินเวลานานภายหลังใช้วิธีพิมพ์สามารถทุ่นเวลาไปได้มากสุดปรึกษากันแล้วขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อแบรนสร้างพายัญพยาหงโดยหลวงพ่อแบรนท่านเขียนผ้าต้นแบบพร้อมปลุกเสกมาให้1ผืนต่อมาสิทธิ์ได้นําไปให้ร้านทําแม่พิมพ์ในกรุงเทพ ทางร้านไม่ได้พ ย, ยันมาก็นําไปแกะทําแบบพิมพ์เมื่อเสร็จแล้วนําไปวางบนหิ้งบูชาในร้านแต่นั้นมาเจ้าของร้านว่าเป็นเรื่องแปลกที่น่าคิดประการแรกจากที่ร้านเคยเงียบงานมีไม่มากเพราะว่าอยู่ในช่วงสงครามโลกกลับมีงานเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดผิดหูผิดตาและที่ทําให้เกิดศรัทธา ม, มากเมื่อคราวเกิดเหตุเพลิงไหม้ใกล้ๆร้านแห่งนี้เมื่อเปลวไฟเผาผลาญเข้ามาใกล้เจ้าของร้านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรจนเป็นญาที่จะขนของหนีได้ทัน จึงหันมาพึ่งครูบาอาจารย์ไหว้บอกกล่าวปรากฏว่าเกิดล้มใหญ่พัดพระเพลิงให้ขื้นกลับไปอีกทางทําให้ร้านแห่งนี้เป็นร้านเดียวที่เหลือรอดจากเหตุเพลิงไหม้อย่างน่าอัศจรรย์ภายหลังคณะของวัดเดิมบางนางบวชมาขอรับแบบและพ่ายันทางเจ้าของร้านจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งออกปากขอพ่ายันผืนต้นแบบไว้บูชาพ่ายันอีกแบบหนึ่งของหลวงพ่อแบนที่จัดเป็นของดีวิเศษมากท่านจะทําให้เฉพาะสิทธิใกล้ชิดเท่านั้นเพราะทํายากมากก็คือพ่ายันประตูโบส พยันชนิดนี้ตลอดชีวิตของท่านคาดว่าทำไว้เพียงไม่กี่ผืนโดยพยันมีขนาดใหญ่ยาวเท่าประตูโบสถ์มีขนาดกว้างราวหเมตรและยาวประมาณ2เมตรพยันทั้งผืนมีอักขระเลขยันเขียนอยู่ทั่วทั้งผืนจะเป็นของดีวิเศษต้องใช้ความมุมา่ะมากพายันนี้หลวงพ่อแบรนท่านเขียนสร้างให้ศิทธิรักท่านหนึ่งสิทธิผู้นี้ได้นําพยันประตูโบสถ์นี้ติดตัวเข้าป่าลึกคราวหนึ่งไปนอนในถ้ำที่ทราบว่ามีอาถรรลี้ลับอยู่ เข้าใจว่าคณะนี้น่าจะไปหาของในถ้านั้นตกกลางคืนสิทธิ์หลวงพ่อแบนนำผ้ายันมาพับหนุนนอนต่างหมอนแกเล่าว่าเหมือนมีคนมาเดินวนรอบตัวแกเข้าใจว่าเป็นเจ้าถ้านึกกลัวจึงนอนภาวนาคาถาไปตามเรื่องจนหลับไปปรากฏว่าในตอนเช้าเพื่อนในคณะที่ไปด้วยกันทุกคนต่างนอนตายไปเฉยๆอย่างที่ทางอีสานเขาเรียกกันว่าไหลาตายแพทย์ปัจจุบันเขาเรียกว่าหัวใจวายแต่คราวนี้เสียชีวิตพร้อมกัน ทุกคนนอนตัวแข็งเว้นพิงตสิธย์หลวงพ่อแบนเป็นคนเดียวที่อยู่ปกติสุขดีเข้าใจว่าเจ้าท่าเขาคงเอาเรื่องเทพ่ไปบุกรุกที่สิทธิ์หลวงพ่อแบนมีของดีเขาจึงทําได้เพียงเดินวนเวียนรอบๆเท่านั้นพวกเจ้าท่านี้ส่วนใหญ่มีฤทธิ์มากบ้างเป็นเทพบ้างเป็นพวกเปรตที่มีฤทธิ์มากก็มีแต่เขาเข้าไม่ถึงสิทธิ์ของหลวงพ่อแบนด้วยอาคมเหนือกว่าเขามากแสดงว่าพยันหลวงพ่อแบนนี้แมนเทพผู้มีฤทธิ์ยิงย่งย้ำเกรง ภายหลังหลวงพ่อกวยยังได้ปลูกเสกพยัญพยาหงม์ทองตําราหลวงพ่อแบนโดวยวัดเดิมบางนางบวชจัดสร้างย้อนยุคพร้อมเหรียญและวัตถุมงคลอื่นๆของหลวงพ่อแบนทั้งทําได้แลังมากไม่แพ้อาจารย์ท่านเลยโดยเฉพาะผ้ายัญขอดนี้ท่านทําได้สําเร็จขั้นสูงท่านประยุกต์ให้แลังใช้ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปคือไปได้กลับได้ไม่ตายในเจวันหากมีผ้าขอดนี้อยู่กับตัวครับผมการตามรอยจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เอาไว้ตอนหน้าค่อยมาตามกันต่อยังมีเรื่องราวอีกมากมายครับเกีก่ยวกับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามที่ค้นขลังคลังวิชาโดยคุณตรพนนาคสมบูรณ์ได้บันทึกไว้ในหนังสือเรื่องเล่าเคาะปฏิหารตำนานวัตถุมงคลส่วนตอนนี้ขอจบลงก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็อย่าลืมคิดบวกนะครับเวลาเหนื่อยเหนื่อก็ให้กําลังใจตัวเองซะบ้างยิไม่กับตัวเองบ้างก็ได้เรื่องพุ่งนี้ทําได้เองครับไม่ต้องเสียเ ง, งินเสียทองด้วย